วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18มกราคมพุทธศักราช2569เป็นวันพระวันธรรมวัฒนะคือเป็นวันฟังธรรมเป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้าให้พุทธศาสนิกชน ให้หยุดภารกิจการทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้มาปฏิบัติมาสร้างที่พึ่งทางใจระยะเวลาหกวันที่ผ่านมาเราก็ใช้เวลาไปกับการสร้างที่พึ่งทางร่างกายคือเราก็ไปหา เงินหาทองเพื่อที่จะได้ไปซื้อปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายปัจจัยสี่ที่ร่างกายต้องการก็คืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคถ้าร่างกายขาดปัจจัยสี่ร่างกายก็จะทุกข์ยากลาบากและอาจจะถึงแก่ความตายก็ได้ เราจึงต้องมีเวลาให้กับการหาที่พึ่งทางกายให้กับร่างกายก็คือหาปัจจัยสีมาเลี้ยงดูร่างกายแต่เราก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องดูแลนอกจากร่างกายก็คือเรามีใจผู้รู้ผู้คิดใจนี้ก็ต้องมีที่พึ่งทางใจ ถ้าอยากจะให้ใจอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆวันพร้านี้จึงเป็นวันสำหรับการสร้างที่พึ่งทางใจเราจะมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการสร้างที่พึ่งทางใจว่าทําอย่างไร เราถึงจะสามารถมีที่พึ่งทางใจขึ้นมาได้ที่พึ่งทางใจนี้มีองค์ประกอบสำคัญอยู่สององค์ประกอบด้วยกันคือหนึ่งที่พึ่งทางใจนี้ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งดยงที่เราเคยกล่าวกันอย่างสม่าเสมอว่าพุทธทางสารนังกระฉามิ ธรรมังสรนังกฉามิสังขังสารนังกฉามินี่คือที่พึ่งทางใจของพวกเราชาวพุทธเรายึดพระรัตนตรยัยยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์ผู้สั่งผู้สอนให้เรารู้จักวิธีสร้างที่พึ่งทางใจให้กับเรา อันนี้คือที่พึ่งอันที่หนึ่งองค์ประกอบอันที่หนึ่งของที่พึ่งทางใจองค์ประกอบอันที่สองของที่พึ่งทางใจคืออะไรก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนคือหลังจากที่เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาการสร้างที่พึ่งการสร้างที่พึ่งทางใจแล้วจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้ว เราก็ต้องมาสร้างด้วยตัวของเราเองเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่สามารถสร้างที่พึ่งทางใจให้กับเราได้เราต้องสร้างที่พึ่งทางใจด้วยตัวของเราเองแต่อาศัยความรู้จากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เพราะถ้าเราไม่มีความรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่ รวิธีสร้างที่พึ่งทางใจที่จะปกป้องจิตใจของพวกเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจได้นั่นเองดังนั้นองค์ประกอบของที่พึ่งทางใจจึงจําเป็นจะต้องมีสองสององค์ประกอบกันองค์แรกก็คือพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องอาศัยทั้งสามพระองค์ เพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าได้จากพวกเราไปเป็นเวลาสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้ว mm hmm. แต่ก่อนที่พระองค์จะจากไปพระองค์ก็ทรงตรัสว่า mm hmm. ถึงแม้พระองค์จะจากพวกเราไปแต่พระองค์ได้ทรงมอก ต, ตัวแทนของพระองค์ไว้ให้อยู่กับอีกสององค์ด้วยกันคืออยู่กับ อยู่กับพระธรรมคำสั่งคำสอนที่ที่พระองค์ได้ทรงสแสดงไว้ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วคำสอนเหล่านี้ก็ได้มีการจดจำบันทึกกันเอาไว้ในพระคำพีที่เรียกว่าพระไตรปิฎกพระธรรมคำสอนเหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง ถ้าเราเข้าไปหาพระธรรมในพระไตรปิฎกนี้ก็เท่ากับการเราไปหาพระธรรมจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าถึงแม้เราจะจากพวกเราพวกพวกเธอไปแล้วก็ตามแต่ตัวเราเองนั่นยังอยู่กับพวกเธอต่อไปอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในพระธรรมวินัยที่ทรงตัดไว้ชอบแล้วสวากขาโตัวพระกวตาธรรมูมนี่เอดังนั้นเรายังมี ครูอาจารย์อยู่ในรูปแบบของพระธรรมคำสอนอยู่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในพระธรรมคำสอนนี้แล้วตัวแทนของพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งก็คือพร ะ, พระสงฆ์อริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นผู้ปฏิบัติ ด, ดปีปฏิบัติชอบผู้ที่ได้ศึกษาคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติ จนได้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกข์ขึ้นมาท่านก็จะมีความรู้ที่เที่ยงตรงต่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถเป็นผู้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแพ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้นี่แหละคือพระรัตนตรัย ถ้าเราต้องการจะสร้างที่พึ่งทางใจเราต้องเข้าหาพระรัตนตรัยเท่านั้นต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เพราะว่าถ้าเราไปหาความรู้จากบุคคลอื่นเราจะไม่ได้รู้จักวิธีที่จะดับความทุกข์ทางใจของเราได้เลยเพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรู้วิธีการดับความทุกข์ทางใจได้ นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นเราจึงต้องถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นสาระเป็นผู้บอกทางให้เรารู้จากวิธีดับความทุกข์ใจต่างๆป้องกันความทุกข์ใจต่างๆไม่เกิดขึ้นอย่างอย่างถาวถ น, นั้นนี่คือสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วแต่ว่าเราจะสนใจจะเข้าหาทางทางไหนถ้าสนใจอยากจะศึกษาจากพระพุทธเจ้าก็ไปศึกษาจากพระคมภีพระไตรปิฎกที่มีพระสูตรต่างๆมากมายหรืออาจจะอ่านหนังสือที่คัดออกมาจากพระไตรปิฎกก็ได้ก็มีพระที่มาบวชกันท่านก็มาศึกษาแล้วท่านก็มาคัดเอาพระธรรม เป็นเรื่อง ๆ, ๆออกมาเช่นพระพุทธประวัติอย่างนี้อเอาเรื่องของพระพุทธเจ้าล้วนๆมาเล่าให้เราฟังกันจากพระไตรปิฎกหรือเอาเรื่องที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสให้หลุดพ้นจากจิตใจให้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเราต้องศึกษาก่อนศึกษาให้เรารู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างในการที่เราจะสร้างที่พึ่ง ทางใจให้กับเราถ้าโดยสรุปแล้วก็มีคำสอนอยู่คำสอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ที่ทงตัดไว้ว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตารัสลูและเอาคำสอนเอาธรรมะมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สารโลก เพื่อให้สารโลกได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั้นจะมีคําสอนที่เหมือนเหมือนกันอยู่สามหัวข้อด้วยกันคือหนึ่งให้ละการกระทาบาปทั้งปวงสองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามให้ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่แหละคือ ว, วิธีการสร้างที่เพึ่งให้กับใจ คือกาจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจสร้างความสุขต่างๆให้เกิดขึ้นมาภายในใจก็ใจจะได้อยู่อย่างนุ่มเย็นเป็นสุขปราศจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนี่คือวิธีสร้างที่พึ่งทางใจที่จะทําให้ใจของเราไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องวุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆ กับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆอย่างที่พวกเรากำลังทุกข์กันอยู่ในขณะนี้สาเหตุที่เรายังกำลังมีความทุกข์อยู่ก็เพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างที่พึ่งทางใจกันถ้าเราได้สร้างที่พึ่งจังจะทางใจเรียบร้อยแล้วใจเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือ เราต้องเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติเองซึ่งเป็นที่มาขององค์ประกอบข้อที่สองของการมีที่พึ่งทางใจก็คืออัตาหิอัตนโนนาโถเราต้องเป็นคนศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติตามป ฏ, ปฏิบัติไปจนบรรลุ ถ, ถึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นมา คือการดับของความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปหน้าที่นี้ไม่มีใครสามารถทำให้กับเราได้พ่อแม่ก็ทำให้กับเราได้พ่อแม่ในสมัยที่เราเป็นเด็กพ่อแม่เลี้ยงดูร่างกายของเราได้เลียงดูให้ร่างกายเราอยู่จเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ได้แต่ พอแม่ไม่สามารถที่จะมาศึกษาทมและปฏิบัติธรรมให้กับพวกเราได้เช่นเดียวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมให้กับพวกเราได้ท่านมีหน้าที่สั่งสอนวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องส่วนพวกเรานี้ถ้าต้องการให้ใจเรามีความสุขให้หลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้อง ปฏิบัติตามคำสอนสามข้อ น, นี้ไม่มีคนอื่นปฏิบัติให้กับเราได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่ได้เราก็ต้องปฏิบัติเหมือนกับการรับประทานอาหารไม่มีใครรับประทานอาหารแทนเราได้เราต้องรับประทานอาหารเองเวลาร่างกายเราหิวเราไปขอร้องให้คนอื่นกินอาหารให้แทนเรานี่ร่างกายเขาอิ่มเขากินอาหารแทนเรา แต่ร่างกายเราก็ยังหิวเหมือนเดิมอยู่เพราะร่างกายเราไม่ได้รับประทานอาหารฉันใดเวลาใจที่เรามีความทุกข์ก็เช่นเดียวกันเวลาใจมีความทุกข์เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจตามคําสั่งคําสอนที่พระเจ้าได้ส่งสอนไว้สามข้อนี้เช่นข้อที่หนึ่งนี้เป็นวิธีป้องกันหรือดับความทุกข์ของใจที่เกิดจากการกระทําบาปนั่นเอง การกระทำบาปนี้แหละเป็นผู้ที่สร้างความทุกข์ใจให้กับเราสร้างความไม่สบายใจให้กับเราสร้างความวิตกวายกลัวให้กับเราเพราะเวลาที่เราไปทำร้ายผู้อื่นไปทำบาปแล้วใจเราจะมีความทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะว่าใจเราไม่อยากจะต้องไปรับผลของการที่เราไปทำร้ายผู้อื่นนั่นเองเพราะเรารู้ว่าเวลาเราไปทำร้ายผู้อื่นผู้ที่เขาถูกทาร้ายเขาก็จะต้องกลับมาทำร้ายเราอย่างแน่นอน ดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําบาปก็ให้ละการกระทําบาปที่มีอยู่สี่ข้อด้วยกันสี่ห้าข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการทําร้ายชีวิตของผู้นี่จะทาให้ผู้เขาลูกญาติพี่น้องของเขานี่ยจะต้องตามลางแค้นเราแล้วนอกจากนั้นความทุกข์มันก็ยังมี จะมีใครมาตามร่างแคนหรือไม่เวลาทำบาปแล้วใจมันก็จะมีความทุกข์แล้วความทุกข์นี้จะตามดวงวิญญาณของเราต่อไปอีกหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้ว<ม>บาปที่เราทำไว้นี้จะพาความทุกข์ไปกับดวงวิญญาณของเราส่งผลให้เราต้องไปเกิดในทุกขติในภพที่เรียกว่าอบายสี่<ม>เช่นไปเกิดเป็นเดรฉ า, านบ้างเป็นเปรตบ้าง เป็นสุนรกายบ้างไปในะรลกบ้างเกิด mm hmm. จากการกระทำบาป mm hmm. คือการฆ่าสัตว mm ์หนึ่งการลักทร 2, 2> mm ัพย์สองการประพฤติผิดในการมสามและการพูดปดส mm ี hmm. ่ส่วนข้อที่ห้านี้การดื่มสุรายาเมานี้ยังไม่ถือว่าเป็นบาป mm hmm. แต่ถือเป็นอบายมุขอบายมุขก็คือผู้สนับสนุน ให้เกิดการกระทำบาปได้ง่ายขึ้นเช่นเวลาดื่มสุรายาเมาแล้วเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาก็จะไม่มีสติคอยับยั้งความคิดเรื่องการกระทำที่ไม่ดีได้นั่นเองแต่ถ้าไม่ได้ดื่มสุรามีสติบริบูรณ์เวลาคิดจะไปทำบาปก็สามารถยับยั้งความคิดนั้นได้ จึงจำเป็นต้องเอาสุราเข้ามาอยู่ในศีลห้าด้วยศีลห้าก็คือข้อห้ามการกระทำบาปนั่นเองถ้าเราถือศีลห้าเราก็จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพยไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดปดแล้วก็ไม่ดื่มสุรายาเมาและของมึนเมาต่างๆ<ม>นอกจากการดื่มสุราที่เป็นอบายยมุกแล้วยังมี อ, อบาย อบายามุกยังมีอีกสี่ข้อด้วยกันที่เราไม่ควรเสพคือเล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืนความเกลียดคา้านแล้วก็คบคนที่ชอบอบายามุกเป็นนิดเพราะถ้าเราไปคบคนที่ชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราถ้าเราครบกับคนที่ชอบเล่นการพ น, นันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพ น, นันถ้าเราครบกับคนที่ชอบเที่ยว กลางคืนเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวกลางคืนถ้าเขาเราครบกับคนที่ชอบความเกียดคร้านเราก็จะเกียดคร้านไปกับเขาการเสพอบายอย่างมุกเหล่านี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายไม่ช้าก็เร็วเงินทองที่เรามีอยู่ก็จะไม่พอใช้เมื่อเราเงินทองไม่พอใช้เราก็อาจจะต้องไปหาเงินทองโดวยวิธีกรรทำบาปเช่เนไปลักทรัพย์ของผู้อื่นเป็นต้น แต่ถ้าเราไม่เสพอบายามุกเงินทองที่เรามีอยู่ก็จะยังอยู่กับเราต่อไปได้เพราะว่าเราไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรค่าใช้ใจ่ายเกิดจากการไปเสพอบายามุกนั่นเองังนั้นถ้าเราไม่อยากจะไปทำบาปเราก็อยากเสพอบายามุกด้วยถ้าเราไม่อยากจะให้มีความทุกข์ใจเกิดขึ้นและไม่อยากให้ดวงวิญญาณของเราไปสู่อบาย หลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วเราก็อย่าทำบาปกันละการกระทาบาปแล้วถ้าเราอยากจะให้เรามีความสุขใจทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และเวลาที่เราตายไปอยากให้ดวงวิญญาณเราไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆเราก็ต้องมาทำข้อที่สองที่พระเจ้าทรงตรัสสอนให้เรากระทากันก็คือให้เรา สร้างบุญสร้างกุศลต่างๆตามววราตามโอกาสอันควรเวลาไหนทาบุญทากุศลแบบไหนได้ก็ทำไปเวลาไหนสะดวกที่จะทาบุญแบบนั้นแบบนี้ก็ทาไปคือการทำความดีต่างๆการให้ความสุขความเจริญแก่ผู้อื่นก็จะทำให้ใจเรามีความสุขและเราก็จะมีบุญสะสมอยู่ในใจที่จะพาใจของเรา เวลาที่ร่างกายของเรานี้ตายไปแล้วให้ได้ไปเกิดในสุคติให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆนี่คือข้อที่สองของการสร้างความสุขให้เกิดให้เกิดขึ้นกับใจข้อที่หนึ่งดับความทุกข์ที่เกิดจากการกระทาบาปแล้วก็มาสร้างความสุขให้เกิดจากการกระทาบุญต่างๆการทำบุญนี้ก็ทาได้หลายรูปแบบด้วยกันหลายสาเหตุด้วยกัน จะทำด้วยความกระตันอยูก็ได้ทดแทนบุญคุณผู้ที่มีพระคุณทำบุญกับบิดามารดาครูบาอาจารย์ทำบุญกับพระศาสนาก็ได้ถ้าเรามีความสำนึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พาสัตว์โลกอย่างพวกเราหล่านี้ให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราอยากจะตอบแทนบุญคุณเราก็สามารถทาบุญกับพระศาสนาได้ ไปทําบุญตามวัดต่างๆบริจาคเงินทองก็ดีซื้อจตุปัจจัยทายทานต่างๆเครื่องสังฆทานก็ดีผ้าป่าก็ดีผ้ากระถินก็ดีสร้างโบสสร้างเจดีทําอะไรต่าง ๆ, ๆนี้ก็ <c oughs> เรียกว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้ถึงพร้อม <c oughs> หรือถ้าเราอยากจะทดแทนสถาบันเช่นโรงเรียนที่เราไปเรียน <c oughs> ทําให้เรามีความรู้เราก็อยากจะอาจจะกลับไปทําบุญกับโรงเรียน ทำบุญกับครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนอบรมให้เราได้มีวิชาความรู้เพื่อที่เราจะได้เอาไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้อันนี้ก็เป็นการกระทำบุญเพื่อตอบแทนบุญคุณสามารถทำได้กับทุกคนไม่จาเป็นว่าจะต้องทำกับวัดวาอย่างเดียวหรือพ่อแม่อย่างเดียวบุคคลใดที่เขามีพระคุณกับเรา เราอยากจะตอบแทนบุญคุณให้กับเขาเราก็สามารถทำได้เป็นบุญเหมือนกันแล้วจะทำบุญเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ยากได้ยากก็อันนี้ก็เป็นการกระทุาทำบุญอีกแบบหนึ่งทำผู้ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหอเห็นใครที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนขาดปัจจัยสีไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ก็ตามรรเราก็ช่วยเขาไปตามกาลังของเรา อันนี้ก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลตามที่พุทธเจ้าทรงสอนไว้ในข้อที่สองเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าการสร้างบุญสร้างกุศลนี้จะต้องไปที่วัดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันเช่นตอนต้นเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าทาเพื่อตอบแทนบุญคุณเรามีใครที่มีพระคุณกับเราเราอยากจะทดแทนบุญคุณท่านเราก็ไปทาบุญกับท่าน ถ้าเราเห็นผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราอยากจะทําบุญเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์เราก็ทําไปตามตามความพอใจของเราจะทํากับคนก็ได้ทํากับเดรัจฉานก็ได้เห็นสุนัขจรจัดไม่มีอาหารกินก็บางคนก็เอาอาหารมาเลี้ยงอันนี้ก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนกันปล่อยนอกปล่อยปลาหรือไปถ่ายชีวิตวัวควายเป็นต้น เหล่นี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้ถึงพร้อมอันนี้คือข้อที่สองที่จะทําให้ใจของเรานี้ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขเพราะการทําบุญนี้เวลาทําแล้วเราจะมีความรู้สึกสุขใจอิ่มใจแล้วก็จะนามาสู่ข้อที่สามคือการซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะจิตใจของเรานี้ยังไม่สามารถซักพอกได้ด้วยการรักษาศีล ไม่สามารถซักฟอกด้วยการทำบุญทำทานต่างๆได้ต้องอาศัยการบำเพ็ญจิตตะภาวนาเพื่อมาซักฟอกกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาตัวที่มาคอยสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราและตัวที่คอยมาดึงให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆในภพน้อยภพใหญ่นี้ก็คือตัวกิเลสตัณหานี้นั่นเองกิเลสตัณหาเป็นตัวที่พาให้เรากลับมาเกิด ส่วนบุญกับบาปนี้เป็นผู้ที่จะเลือกให้เราไปเกิดดีหรือเกิดเกิดไม่ดีเกิดสูงหรือเกิดตำ่ำแต่ผู้ที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดนี้ไม่ใช่บุญกับบาปผู้ที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็คือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆซึ่งการรักษาศีลไม่สามารถกาจัดได้การทาบุญทากุศลต่างๆก็ไม่สามารถกำจัดได้ จะกำจัดได้ต้องอาศัยการปฏิบัติจิตตภาวนาคือมีสองขั้นในการสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาสมถภาวนานี้เป็นการทำใจให้นิ่งให้สงบเพื่อหยุดความโลภความโกรธความหลงไว่ชั่วข่าวแล้วก็ขั้นที่สองก็คือวิปัสนาภาวนาคือการชำระการถอดถอนความโลภความโกรธความหลงให้ออกจากจิตจากใจไป อย่างถาวร อ, อย่างหมดสิ้นต้องอาศัยการภาวนาสองขั้นด้วยกันขั้นแรกต้องอาศัยการทำใจให้สงบก่อนหยุดความโลภความอยากต่างๆไว้ชั่วคราวก่อนเมื่อเราสามารถหยุดความโลภความอยากได้แล้วเวลาเราออกจากความสงบมาพอใจแล้วเริ่มมีความโลภความโกรธเราก็ใช้ปัญญาที่พระเจ้าทรงตัดสรุว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราโลภเราอยากนี้ ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นคือมันไม่ได้เป็นความสุขแบบยั่งยืนถาวรมันอาจจะให้ความสุขกับเราชั่วครั้งชั่วคราวประเดียวประดาาแล้วไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่เคยให้ความสุขกับเรามันก็อาจจะเปลี่ยนไปกลายเป็นสิ่งที่จะให้ความทุกข์กับเราก็ได้หรือมันจะอาจจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดก็ได้วันใดวันหนึ่งมันก็อาจจะจากเราไปได้ถ้าเราเห็นวน่าสิ่งต่างๆที่เราอยากนี้เป็นทุกข์ ทุกเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงทุกเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเราก็จะไม่อยากได้อะไรต่อไปอั น, นนี้เป็นการใช้ปัญญาเพื่อถอดถอนหรือชำระกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้หมดไปสิ้นไปจากใจอย่างถาวรถ้าเราสามารถใช้ปัญญาชำระกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรแล้ว จิตเราก็จะเป็นจิต ท, ที่สะอาดบริสุทธิ์จิตที่สะอาดบริสุทธิ์นี้เราก็เรียกว่านิพานนี่องนิพานนางปรมังสุ ข, ขังเป็นจิตที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขเพราะจิตนี้จะไม่ไปทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะเหตุที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดก็คือความโลภความอยากต่างๆนั้นได้ถูกกำจัดด้วยปัญญาที่เห็นว่า ส, สิ่งต่างๆที่ความโลภความอยากต้องการนั้นล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้น ทุกเพราะว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกทุกเพราะว่าเราไม่สามารถเก็บไว้ให้เป็นของเราได้ไปตลอดคือเป็นอนัตตามไม่ใช่เป็นสมบัติของเราได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งเราก็ต้องสูญเสียมันไปเวลาเราสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบสิ่งที่ให้ความสุขกับเราไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเราก็คือความเศร้าโศกเสียใจนั่นเองถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาเห็น เห็นตลอดเวลาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่กิเลสตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นนี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเราก็จะไม่กล้าอยากได้อะไรอีกต่อไปเราก็จะอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรอยู่แบบไม่มีความอยากอยู่กับความว่างอยู่กับความสงดซึ่งเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองนี่แหละคือวิธีที่จะทาให้ใจเหล่านี้ปราศ จ, จากความทุกข์ ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดคือใจทําใจให้เป็นพระนิพพานขึ้นมาทําใจให้เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชากัร<ม>ที่เราจะทําสิ่งเหล่านี้ได้เราก็ต้องมีผู้สั่งผู้สอน<ม>เราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คอยบอกวิธีสอนวิธีที่ถูกต้องให้กับเราแล้วเมื่อเราได้รับคําสั่งคําสอนที่ถูกต้องแล้วเราก็น้อมนําำอาไปปฏิบัติ ปฏิบัติสข้อที่ทรงได้สองที่เราได้เรียนรู้มาก็คือ 1. ละการกระทำบาปทั้งปวง 2. สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม 3. ชําำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราสามารถปฏิบัติทาทั้งสามข้อนี้ได้แล้วใจของเราก็จะมีที่พึ่งที่ยั่งยืนที่ถาวรที่จะไม่มีอะไรที่จะสามารถมาทำให้ใจเราทุกข์ให้เราวุ่นวายใจได้อีกต่อไป น, นี่คือเรื่องที่พึ่งทางใจที่พระเจ้าต้องการให้พวกเรามาทํากันอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันคือวันพระนี้ให้เราเปลี่ยนวิธีสร้างที่พึ่งกันวันธรรมดาเราไปทํางานทําการเราไปสร้างที่พึ่งทางกายเพราะเราก็ต้องเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ไปวันวันหนึ่งให้อยู่รอดไปวันวันหนึ่งส่วนใจเราเราก็ต้องมีวันหนึ่งมาสร้างที่พึ่งทางใจให้กับใจก็เราจะได้ปลดปลดเพิ่มความทุกข์ต่างๆ ที่คอยสร้างความทุกข์สร้างความทรมานให้กับใจเรานี้ให้มันหมดสิ้นไปถ้าเรามาทำหน้าที่อย่างนี้เรื่อยๆต่อไปใจเราของเราก็จะมีความทุกข์น้อยลงจะมีความสุขมากขึ้นและในที่สุดก็จะมีแต่ความสุขเพียงเดียวอย่างที่อย่างใจของพระพุทธเจ้าและพระอหรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติธรรมทั้งสามข้อนี้เหมือนกับเหมือนกับที่ท่านนามาสอนพวกเรา ท่านก็ละการกระทำบาปทั้งปวงท่านสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมแล้วท่านก็ชำระสรักข้อจิตใจของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์จนกระทั่งใจของท่านก็เลยกลายเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่เป็นนิพพานใจที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปทึงนี้กจะเป็นใจแบบนี้ซึ่งใจของพวกเราก็ต่อไปก็จะต้องเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันถ้าเรามีการปฏิบัติธรรมทั้งธรรทั้งสามข้อนี้อย่างต่อเนื่อง วันหนึ่งผลก็คือความสาดบริสุทธิ์ของใจก็จะปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนการแสดงธรรมสำหรับวันนี้ก็พอดีหมดเวลาพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติแล้วในต่อไปในลำดับต่อไปประมาณสัก3าสิบนาทีหรือยี่สิกว่านาทีที่เหลือนี้เราก็จะมาปฏิบัติสมถะ ภ, ภาวนาคือมาทำใจให้นิ่งให้สงบ หยุดความโลภความโกรธความหลงไว้ชั่วคราวก่อนก่อนที่เราจะไปปฏิบัติวิปัสสนาได้เราต้องหยุดเราต้องทำสมถะภาวนาให้ได้ก่อนต้องหยุดความโลภความโกรธความหลงให้ได้แบบชั่วคราวก่อนแล้วพอเราได้แล้วเวลาเราออกจากสมาธิมาพอกิเลสตาัณหาออกมาแสดงตัวเราก็ใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นเป็นทุกข์เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเพราะมันไม่ได้เป็นของของเรา มันเป็นของชั่วคราวเอามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องคืนเข้าไปมันไม่ได้เป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานี่วันหนึ่งเราก็ต้องสูญเสียมันไปหมดถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากได้มันอย่าไปอยากใหม้มันอยู่กับเราถึงเวลามันจะไปก็ปล่อยให้มันไปแล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข์แต่เราจะทําใจได้เราก็ต้องมีสมาธินี่เราจึางต้องมาทําสมาธิก่อนมาหยุดใจก่อนมาหยุดความอยากก่อนถ้าเราไม่หยุด หยุดใจไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้ถึงแม่ปัญญาสอนเราว่าอย่าไปอยากเราก็ห้ามความอยากไม่ได้เพราะความอยากมันมีกำลังมากกว่าแรงของใจที่จะหยุดมันนั่นเองถ้าเราไม่มีสมาธิแต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วสมาธินี้แหละจะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้เวลาที่เราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วว่าความอยากต่างๆนี้จะพาเราไปสู่ความทุกข์ต่างๆนั่นเอง ดังนั้นต่อไปนี้เราจะมาฝึกสตินั่งสมาธิกันทำใจให้นิ่งให้สงบก่อนนั่งสมาธินี้เพื่อให้ใจนิ่งให้ใจหยุดคิดถ้าใจไม่หยุดคิดใจจะไม่นิ่งเมื่อใจไม่นิ่งใจจะไม่สงบใจจะไม่มีความสุขจะไม่มีกำลังหยุดความอยากต่างๆได้แต่ถ้าเราสามารถผูกใจของเราให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบได้แล้ว เราไม่เผอไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับอารมณ์เดียวไปตลอดไม่ช้าก็เร็วใจก็ยั่เข้าสู่ความสงบนิ่งสงบได้มีพลังมีความสุขที่จะสามารถเอาไปสู้กับกิเลสตัณหาชนิดต่างๆได้ดังนั้นตอนที่เรานั่งสมาธินี้เป้าหมายหลักก็คือให้เราหยุดคิดให้ได้การที่เราจะหยุดคิดได้เราต้องมีสติคือการระลึกรู้คอยกำกับใจให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐาน อารมณ์ของกรรมฐานเช่นพุโทโธพุทโธนี้เป็นอารมณ์ของกรรมฐานอย่างหรือการดูลมหายใจเข้าออกหรือการสวดมนต์ถ้าเรานั่งแล้วยังดูลมไม่ได้ยังพุโทโธไม่ได้เพ้าใจเราคิดมากฟุ้งอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มาให้มาใช้การสวดมนต์ไปก่อนให้อยู่กับบทสวดมนต์ที่เราจําได้จะบทสั้นบทยาวก็ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้เราสวดไปอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆก่อน ส่วนไปจนเรารู้สึกว่าใจเราเริ่มสงบลงความคิดฟุ้งซ่านเริ่มลดน้อยลงแล้วก็หันมาดูลมหายใจได้หรือหันมาบริกรรมพุทโธได้เราก็เปลี่ยนมาดูที่ลมหรือมาบริกรรมพุทโธต่อพอเรามาดูลมหรือพุทโธแล้วเราก็อยู่กับลมหรืออยู่กับพุทโธไปเพียงอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับอะไรที่อาจจะมาปรากฏให้เรารับรู้เช่นอาจจะมีเสียงอย่างรถเมื่อกี้นี้เข้ามาเราก็ไม่ต้องไปสนใจ หรือจะมีความรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานไปอยู่กับลมไปอยู่กับพุทโธไปหรือมีภาพมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจให้กอะติดอยู่กับกรรมฐานไปตลอดถ้าอยากจะให้ใจนิ่งให้สงบถ้าไปตามรู้เรื่องรื่นแล้วใจก็จะไม่มีวันนิ่งวันสงบได้หรือมีภาพอะไรปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องสนใจให้สนใจอยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียว แล้วใจของเราก็จะค่อยๆเข้าสู่ความสงบเวลาสงบนี้ใจบางทีก็จะรู้สึกเหมือนกับตกจากจากตกจากที่สูงลงมาวูบลงมาแล้วก็เบาสบายมีความสุขแล้วก็เราก็ไม่ต้องทําอะไรอันนั้นใจก็ไม่ดิน้นล้วใจจะเฉยๆใจจะอยู่กับความนิ่งอยู่ความสงบอยู่กับความสุขที่เกิดจากความนิ่งนี่เองเราก็พยายามใช้สติประครับประคองไปจนกว่าเราจะออกมาจากสมาธิ อันนี้คือเป้าหมายแรกของการนั่งสมาธิเราต้องการทำใจให้นิ่งไม่ต้องการรู้เห็นอะไรทั้งสิน้นให้ใจนิ่งให้สงบให้ใจเข้าสู่ความว่างให้ใจมีความสุขและมีกำลังที่จะหยุดความโลภความอยากต่างๆเท่านั้นเอง ต, งต่อไปนี้เราก็จะมานั่งกันอีกประมาณสัก24นาทีด้วยกัน ตอนนี้เวลาสาหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่ท่านจะเลิกก็ให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจาวิธีนั่งของวันนี้ไว้คราวหน้าเวลานั่งก็ใช้วิธีนี้ต่อได้ก็จะได้ความสงบเหมือนวันนี้อย่านั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบจะไม่ทำให้มันสงบถ้านั่งแล้ววันนี้ยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกาลังน้อย กาควรที่จะฝึกสติให้บ่อยๆในระหว่างวันเราสามารถฝึกสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆหรือเฝ้าดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วต่อไปเราจะมีสติเพิ่มมากขึ้นและเวลานั่งสมาธิใจเราก็จะสงบได้ง่ายขึ้นและนานขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปะริปุเลนติสาคหลังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัรปติอิจิตตังปะทิตตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยะถาเนริโชติ พระโสยทถาสพิติยวิวาชนตุสัพพโรควินาศตมาเตภวตวันตายยสุขิทิกายุโกภวะอภิวัฒนสิลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมวาทานติอายุวันโอสุขัง À, à, ช่วงตอบไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะได้รับคำตอบเพราะถ้าเลิกแล้วจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ à, วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทางเฟซบุ๊กสองอเจ็ดสิบสี่ Youtube พัสุชาติไลฟ์สามร้อยยี e สิบแปดดอกตร v วียีสิบสองวิทยุออนไลน์สิบสามคลับเฮาส์องนาคุติสองร้อยสิบวมแปดร้อยแปดสิบค่ะมีชาวต่างชาติอยากจะถามคำถามไหม Anybody like to ask question You're welcome to Would you like to ask any question Yes We have a microphone for you to speak to จงไมโครโฟนมให้เ้าหน่อย เขียนข้าในกระดาษอ่านได้ย้ขอ่านเองดีกว่า Can you read it for us? Can you read it? Uh, so please, uh, I want to know how to uh, I can help my son uh, stop to be afraid uh, of communication with uh, other people. Stop e com communication. Afraid of yes. What kind of communication? Stop what? Afraid, afraid, afraid to communicate. Oh, I see. Yes, it is uh, some barrier, and he cannot communicate with other people freely. It so. takes time for him to to change, so you have to be patient. Just try to look after him as much as you can, but you cannot force him to change. You cannot force him not to be afraid to communicate. It takes time for him to slowly, gradually change. Yeah. So in the meantime, all you can do is just to give him comfort and give him hope. I'm sorry, but uh, you have. I to, can't hear you. Sorry, you just have too. to to be patient. Be patient. Yes. And wait for him to slowly change by himself. This is a long process, mm. not something that you can force upon him right away. Yes. Okay. Yes. r i g h t He is my son, and he yes, also our question. He is afraid to communicate. Speak. h o w to continue to live when the world is a terrible place filled with w h i o r e n g e And h i t e and you are not much better. You can live like a monk, like me, and leave everything alone. You cannot change the world, so let the world be, and you just stay away from the world. Okay. Ah, ใครอยากจะถามดิกวิชาการกันหรอกพ่อเอ็มมีคถามว่า เออไอ้อออโกรคนคนหนึ่งแต่กดกดเลขค่ะหลวงพ่อโกดเลขคือหมาถือว่าพฤติกรรมหนูเปลี่ยนไปคือหนูตอนนี้รู้สึกอึดอัดคือไม่อยากคุยด้วยแต่ใจนึงก็เมตตาก็อยากจะคุยเหมือนเดิมแต่หนูควรจะวางใจยังไงต่อการเรื่องนี้ก็ถ า, ถามตัวเราก่อนว่าใครทุกข์กว่าเนี่ยเวลาเวลาเราโกรธเขาทุกข์ก็เราทุกข์หนูทุกข์อ่าเราไปโกรธทาไมอะไรเงี้ยหนูไปสร้างความทุกข์ให้กับตัวหนูเอง ใช่ไหมใครเป็นคนสร้างความทุกข์อ่ะถ้าหนูไม่โกรธหนูก็ไม่ทุกข์ก็อย่าไปโกรธต่นนั้นเลยถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปโกรธแต่พฤติกรรมทําให้หนูก็เรื่องของเขาเราไปเนเขาได้หรือเปล่าผลจกดายเราไปเปลี่ยนเขาได้หรือเปล่าใช่ไงหนูพยายามเอาจําคํานี้มาตลอดนะหลวงพ่อแต่หนูก็โกรธเล็กลงแต่มันก็ยังทำม่นั่งสมาธิก่อนไปนั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้เฉยก่อนจะนี้ทาได้จ้า นะไปนั่งสมาี่เยอะๆอย่าไปดูทีวีอย่าไปดู y youtube ยิ่งดูยิ่งโกรธใหญ่นะไปทำใจให้นิ่งให้มีอุเบกขาเขามีอุเบกขาแล้วใครจะทำอะไรก็สบายไม่เดือดร้อนไม่ใช่เราไม่ใช่เรื่องของเราสาธุเจ้าค่ะนะโอเคอีกไหมโอเค you have any question here โเคอาาายงงี้้นนททบครดำถามฝากถามจากหน้ากุติค่ะผมโดนแสแคมเมอร์ขู่ค่าเรียกเงินสองล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ต้องวางตัวอย่างไรครับท่านก็บอกก็จะให้เราเงินสองล้านดอลล่าร์อย่างวางตัวยังไงมันก็เป็นแค่คําพูดของเขาเท่านั้นเองเหมือนไม่ได้เป็นความจริงเท่าหน่อยเลยแล้วก็วางตัวเฉยๆไปเลยเราดูให้มันเกิดขึ้นก่อนนะงั้นใครก็ขู่ล้วใครก็ชมเราก็บ้าไปกับเขา เอเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจเอาเงินให้สองล้านนอนละอย่างนี้ยดีใจนอนไม่หลับเลยแต่พรุ่งนี้เขาไม่ได้โอนมาจะทํำยัำยงไงแต่ถ้าว่าเขาจะฆ่าเราพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้เขาไม่ได้ฆ่าเราก็จะทํำยังไงก็าราดูเหตุการณ์ไปก่อนสิอย่าไปเป็นกระต่ายตื่นตูมนะราดูเหตุการณ์ก่อนคนเรามันถึงเวลาตายที่ไหนมันก็ตายนีไม่พ้นหรอก ย, ยอมตายถ้าอย่างแล้วเราจะไม่กลัวใครใครจะขู่ไงก็ป่อมันขู่ไปเหมือนหมาเห่าเงนี้ย มาเหา่ากูจะกัดมึงกูจะกัดมึงไงแต่มันก็ไม่ม ไ, มมไม่กล้ากัดจะ้สิมันก็เห่าอย่างนั้นแหละมันต้องการสร้างความกลัวให้กับเราแล้วทําให้เราเออขาดสติเราจะได้ยอมทําตามที่เขาอยากจะได้ให้เราทำแค่นั้นเองนั้นเราไม่ต้องไปฟังเสียงคนเสียงใครก็ตามดูความจริงตอนนี้เราตายหรือยังยังไม่ตายก็อยู่ต่อไปถ้าตายก็ดีจบที่หมดหมดทุกหมดปัญหาได้ทีอยู่ไปก็มีแต่เรื่องทุกข์เรื่องวุ่นวายใจตลอดเวลา นะดูความจริงอย่าไปดูเสียงที่เขาพูดคำขู่ใครๆก็ขู่ได้ขูก็ขูไปเลยแล้วก็ห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ไปตื่นเต้นตกใจได้เฉยๆไปถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ถือว่าเป็นเวนกรรมของเราก็แล้วกันนะโอเคข้อที่สองมีอะไรไหมจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะมีคนโทรมาบอกว่า หลังจากสวดมนต์นั่งสมาธิให้แผ่เมตตาให้เทวดาประจําตัวเท่านั้นไม่ควรแผ่เมตตาให้ผู้อื่นทั้งมนุษย์และอมนุษย์รวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากบุญกุศลที่แผ่ออกไปจะทําให้บุญกุศลไม่เหลือถึงให้กับเทวดาประจําตัวสิ่งนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะถามว่าพระพุทธเจ้าสอนยี้หรู้กล่าวนึกอา่าถามเขาว่าเข้ามาจากที่ไหนเนี่ยที่เขามาพูดเนี่ยเดีย๋ยวนี้มีธรมธรมะทำเมาเยอะไปหมดเลย ไม่แต่ทำเมาเท่านั้นทำหล้าไม่ค่อยดีเลยกับมาพการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกพอจะเห็นว่ารูปเวทนาสังขารวิญญาณมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ลูกพอจะเป็นผู้เห็นว่าสุขทุกข์นั้นก็เป็นแค่สัมผัสจากอายตนะต่างๆแต่ว่าไม่ ไม่เขาแล้วก็รู้ทราบพอจะเห็นว่าจิตนี้ก็คิดเองทำเองมันไม่ใช่เราแต่ยังไม่ลงจิตแล้วคะ่ะง่อยงดูกูดูก็ติดอะไร อ, อยู่ไหมเจ้าคะ่ะขาดถิ่งใดเลยเจ้าคะ่ะคือเรายังไม่เห็นว่าเราไปทุกข์กับเขาหรือเปล่าเราหรือหนูอยากถ้าเขาทุกข์เราก็ต้องหยุดการทุกข์ของเรา เราห้ามความทุกข์ของเขาไม่ได้แต่เราห้ามความทุกข์ของเราได้ยื่งยากขาดปัญญาตรงที่ที่ไม่เห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ไม่เป็นเราก็ทุกข์่ะถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยให้เขาเป็นไปเขาจะสุขก็ปล่อยเขาสุขไปเขาจะทุกข์ก็ปล่อยเขาทุกข์ไปแต่เราอยากไปอยากให้เขาสุขเราอยากไปอยากให้เขาดีกับเราอย่างนี้เป็นต้น เราเขาไม่ดีกับเราเราก็เลยทุกข์ทุกข์เพราะอยากให้เขาดีแล้วเขาไม่ดีกับเราผิดหวังทุกข์เพราะความผิดหวังอย่าไปหวังอะไรจากใครแล้วจะไม่ทุกข์เข้าใจไหมเ ข, ข้าใจเจ้าค่ะแล้วจะขั น, น, นต่อไปเพื่อแเราก็จะเห็นก็เนี่ยร่างกายเนี่ยเป็นขันห้าใช่ไหมรูปใช่ไหมรูป<ช>มันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเที่ยวมันยนเนีท่ทําังไทุกข์กับมันหรือเปล่า ไม่เออก็ไม่ยังไม่แน่ใจเจ้าค่ะถ้าทุกข์ก็ยังแสดงว่ายังยึดติดอยู่ยังไม่ปล่อยเจ้าค่ะบางทีก็มันก็ปล่อยได้มันก็ปล่อยไม่ได้ก็ต้องมองว่ามันไม่เที่ยงไงมันไม่เที่ยงใช่ไหมมันเป่งปังได้เดี๋ยวมันก็เหี่ยวได้ใช่ไหมใช่เจ้าค่ะอแล้วห้ามมันได้เปล่าไม่ได้อ่าก็ต้องปล่อยมันเลยถ้าปล่อยนั้นก็ไม่ทุกข์ถ้าไปอยากให้มันเป่งปังเวตลออมันก็จะทุกข์เวลามันเหี่ยวเจ้าค่ะอ่าเนี่แหละคือการพิจารณาขัน พิจรณาว่าเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้น ข, นขนลงล ง, ลงมีเจริญมีเสื่อมแต่ห้ามไม่ได้เขาจะเจริญก็อย่าไปดีใจเขาเสื่อมก็อย่าไปเสียใจยินดีตามมีตามเกิดไปอาใจอใย่างนำก า, ารผ่าจา์เจ้าค่ะโอเคคำถามจากทาง youtube คุณอังโจค่ะ การอนุโมทนาการสร้างหรือถวายพระพุทธรูปโดยไม่ได้ร่วมสร้างไม่ได้อยู่ในพธิธีได้อ น, นิสงส์เหมือนผู้ที่ไปมีส่วนร่วมต่อหน้าหรือไม่และได้อ น, นิสงส์อย่างไรถ้าเราบริจาคเงินไปเราก็ไ ด, เได้เราก็ได้บุญส่วนนั้นได้บุญจากการบริจาคแต่เราไม่ได้บุญจากการมีความเพียงไปที่ไ ป, ไปที่งานเราจะขี้เกียจขี้เกียจไปส่งเงินไปก็แล้วกันเราก็ได้บุญจากการส่งเงินไป แต่เราไม่ได้เงินจากการที่เรามีความเพียรไปที่สถานที่นั้นด้วยตัวเราเองก็ก็ได้ได้บางส่วนไม่ได้บางส่วนข้อที่สองค่ะอันนี้สงจากการที่พระพุทธ ร, รูปนั้นมีผู้มากราบไหว้ในอนาคตกระแส บ, บุญจะเป็นอย่างไรเจ้าคะไม่เกี่ยวกับเรากราบไหว้ก็ทำให้ศาสนาจเจริญขึ้นถ้าไม่กราบไหว้ศาสนาก็เสื่อมลง คำถามจากคุณใบห ย, ยกค่ะสงบว่างรวมเหลือแต่ตัวรู้สิ่งใดๆภายนอกรับรู้แต่ไม่ลงมากระทบรู้แต่ไม่มีการปรุงสักแต่ว่ารู้ที่หนึ่งชั่วโมงเวทนาไม่มีถูกแล้วหรือไม่อย่างไรพระอาจารย์เมตตาชี้แนะให้รูปปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นด้วยเจ้าค่ะถูกแล้วเราก็เอาความสงบนี้มาใช้ในชีวิตประจาวันของเราเวลาใครเขาชมเราก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นดีใจเวลาใครเขาด่าเราก็ไม่ต้องเสียใจ ให้ว่างให้เย็นให้สบายเฉยเไปคำถามจากคุณรินบิค่ะความว่างสุญญาตาอาศัยเอกกัคคตารวมพร้อมกับอุเบกขาเป็นเครื่องมือให้เห็นความจริงว่าสิ่งต่างๆไม่มีตัวตนใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกการจะเห็นไม่มีตัวตนต้องใช้การวิเคราะห์ให้ปัญญาทำไมถึงไม่มีตัวตนเช่นร่างกายในร่างกายมีตัวตนตรงไหนผมขนเล็บฟันนี้มีตัวตนไหม ต้องไล่ไปอาการทั้งสามสค้นหาดูตัวตนก็จะค้นว่าไม่มีร่างกายนี้ไม่มีตัวตนเลยมีแต่อาการสามแล้วตัวตนมาจากไหนก็มาจากใจเราไปตู่มันเองอันนี้เป็นร่างกายนี้เป็นตัวกูของกูตัวเราของเราท่านเองมันแค่ความคิดเหมือนกับที่เขาด่าเราแล้วเขาหลอกเราว่าพรุ่งนี้เขาจะเอาเงินมาให้เราเอย่างเงี้ยเขาก็เพียงแต่พูดเท่านั้นแล้วเราก็ไปเชื่ออันนี้เราก็เพียงแต่คิดว่าร่างกายเป็นของเราแล้วก็ไปเชื่อว่าเป็นของเรา แล้วเราก็ต้องวิเคราะห์แบบนักวิทยาศาสตร์เอาเราเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ผมหรือเปล่าอยู่ที่ขนหรือเปล่าอยู่ที่เล็บหรือเปล่าอยู่ที่หนังหรือเปล่ามันไม่มีอ่ะมันมีแต่ผมขนเล็บปรญญการสามสิบสสรุปแล้วก็คือไม่มีตัวเราในร่างกายต้องวิเคราะห์แบบนี้ถึงจะเกิดปัญญาส่วนที่เรามีอุเบกขานี้มีไว้เพื่อให้เราหยุดไปยึดไปติดกับร่างกายเมื่อรู้ว่าไม่ติดของเราแล้วก็อย่าไปอย่าไปกังวลกับมัน มันจะเป็นยะตายเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับมันปล่อยมันเป็นไปเท่านั้นเองถ้าเรามีอุเบกขาเราก็เราก็จะไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่มีอุเบกขาเราจะเดือดร้อนมากเพราะเรายังอยากให้มันดีอยู่อยากให้มันอยู่เป็นางนๆอยากให้มันสวยอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นพอมันไม่เป็นไปตามความอยากของเราเราก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีความยินดีเราปล่อยวางมันไปให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมัน เราก็ไม่เดือดร้อนเราก็สบายของเราไปเพราะเราไม่ได้เป็นมันเหมือนคนอื่นเนี่ยคนหนึ่งที่เขานั่งข้างๆเราเนี่ยถ้าเขาเป็น ไ, ไปเราเดือดร้อนไหมไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมเหมือนกันร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดที่มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเป็นเหมือนใช้ร่างกายเป็นเหมือนคนรับใช้ดีๆนี่ใช้ให้มันพาเราไปที่นู่นพาเราไปที่นี่ใช้ให้เราพาให้ไปไปกินนู่นกินนี่ ก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ไม่ใช่เราเป็นเพียงเครื่องมือเป็นคนรับใช้เหล่าทเท่านั้นคนรับใช้เรามันก็ไม่เที่ยงมันก็จะวันหนึ่งก็ต้องแก่เจ็บตายก็ต้องปล่อยมันตายไปหมดหรืยังหมดแล้วค่ะโอเคเวลาก็หมดพอดีสําหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิพิจารณาไปปฏิบัติ